ไม่รู้สึกตัวมันจะแยกขัดไม่ได้แยกขัดไม่ได้มันทำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาเราจะเห็นรูปนามเกิดดับรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามตัวรูปดูยากรูปแท้ๆก็คือรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมอันนี้ดูยากมีรูปข้างเฉียง ดูง่ายกว่าเช่นรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งอะไรพวกนี้แต่รูปพวกนี้มันไม่ใช่รูปแท้เรียกเป็นวินญยญติรูปแล้วก็ไม่ใช่รูปแท้แท้เป็นแค่ข้างๆเชียงๆดูไปพอดูได้เท่านั้นเดูรูปจริงๆดูยากส่วนนมามธรรมนั้นอ่ะมันตัวเดียวโดดๆ ด, ด, ด, ด, ดูง่าย อย่างความโกรธเนี่ยก็ไม่เหมือนตัวอื่นแล้วความโกรธแยกต่อไปไม่ได้แล้วความโกรตก็คือโกรธโลภ ก, ก็คือโลภไม่ไปปนกับตัวอื่นแล้วโกรธกับโลภก็ไม่เหมือนกันความหลงเนี่ยก็ไม่เหมือนโกรธไม่เหมือนโลภแต่เวลาเกิดเกิดมีความหลงแล้วเนี่ยมีความโกรธกับความโลภเกิดร่วมกับความหล ง, หลงไดนะ้แต่โกรธกับโลภไม่เกิดพร้อมกัน แต่ยังรอภกับหลงเกิดพร้อมกันก็จริงแต่สภาวะไม่เหมือนกันมันแยกกันได้ชัดอย่างความสุขก็มีสภาวะของตัวเองชัดเจนความสุขเป็นแบบเนี้ยความทุกข์ก็มีสภาวะของตัวเองชัดเจนไม่เหมือนความสุขไม่เหมือนอุบเบกขาเฉยๆศรัทธาก็มีลักษณะของตัวเองวิริยะก็มีลักษณะของตัวเองสติก็มีลักษณะของตัวเอง สมาธิก็มีลักษณะของตัวเองปัญญาก็มีลักษณะของตัวเองมีลักษณะเฉพาะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างธาตุธาตุดินมีลักษณะของตัวเองธาตุน้ำาก็มีลักษณะของตัวเองธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟมีลักษณะของตัวเองร้อนธาตุน้ำมันซึมซ่านธาตุลมมันเคลื่อนไหว ธาตุดินมันแข็งเนี่ยมันมีลักษณะงั้นเวลาที่เราจะทําวิปัสสนากรรมฐานนะเราต้องเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆเลยที่มีตัวจริงแต่อย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนะี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนเดินก็เดินไม่เหมือนกันนอนก็นอนไม่เหมือนกันท่าทางก็ไม่เหมือนกันดูแบบถูๆไายๆไปพอดูได้ แต่ไม่ใช่รูปแท้รูปแท้จริงๆธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟเนี่ยของจริงไฟที่ไหนก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ของจริงคนไทยสุขคนจีนสุขฝรั่งสุขก็แบบเดียวกันงั้นสภาวะที่เดี่ยวๆเลยแยกต่อไปไม่ได้นละมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง นนะเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมมีทั้งหมดเนี่ยจตัวเป็นนิพพานสตัวหนึ่งเป็นจิตอีกตัวหนึ่งเป็นรูปอยู่18รูปเป็นเจตสิกห้าบตัวรูปแท้ๆมี18ปรูปมีรูปไม่แท้อีกกลุ่มหนึ่งอย่าตัวที่มีสภาวะแท้ๆเนี่ยมีทั้งหมด7จบ2ตัว พวกเราไม่เห็นหนึ่งตัวปุถุชนจะไม่เห็นนิพพานก็มีเจ็ดสิเอ็ตัวในเจ็ดสิเอ็ตัวเอาเข้าจริงเราเห็นได้ไม่หมดอ่ะเห็นได้ไม่หมดบางตัวละเอียดเจอกระทั่งเราดูไม่ออกดังนันเราดูตัวที่เราพอดูได้อย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยดูได้ความฟุ้งซ่านความหดหู่เนี่ยดูได้ เงเวลาพระเจ้าสอนแล้วสอนง่ายๆสอนง่ายๆอย่าสอนพิสูจเทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะใครๆก็รู้จักความโลภราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะโทสะนี่ใครๆก็รู้จักยังสิ่งที่ท่านเลือกเอามาสอนนะสิ่งที่ใครๆก็เห็นไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอก ไม่ได้ไปสอนถึงขนาดเอ้าทุกคนต้องทำอากาศานันใจยัตะนะวิญญาณันใจยัตนะอกินจันญายัตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแค่ชื่อมันก็ยาวาหนึ่งละทำทำไงก็ไม่รู้ยุ่งตายะนั้นของง่ายๆนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้เราใช้ตัวรูป ท่านก็รู้อยู่ว่ารูปดินน้ำไฟลมมันดูยากถ้านเอารูปง่ายๆให้ดูพิสูจทั้งหลาย ห, ออย า, า, หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวให้ใจเข้ายาวรู้ว่ห้ใจเข้ายาวดูรูปเคลื่อนไหวนึงอะไรที่เคลื่อนไหวรูปมันหายใจมันก็เคลื่อนไหวพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้รู้ลมหายใจ บอกหายใจออกยาวรู้วหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาว <_ S 2> ก็เห็นร่างกายหายใจออกยาวใครเป็นคนเห็นจิตผู้รู้เป็นคนเห็นนี <_ S 2> ต้องมีจิตมันต้องแยกรูปนามได้แยกขันได้แยกขันเนี่ยขันมีห้าขันไม่ต้องแยกทั้งห้าขันได้สองขันก็พอแล้วแต่หนึ่งในสองต้องเป็นจิตนะเป็นคนดูมีผู้ ด, ดูหนึ่งตัวผู้แสดงอีกตัวหนึ่ง แค่นี้พอละเรียนกรรมฐานไม่เรียนมากกรรมฐานมีเยอะเพราะคนมีเยอะจริยนิสัยแตกต่างกันแต่กรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่มากหรอกอย่างหลวงพ่อทำกรรมฐานสมถะมี40สบอย่างหลวงพ่อใช้อนาตนสติอย่างเดียวแค่นี้ก็พอละวิปัสสนากรรมฐานทำได้ตั้งเยอะแยะดูรูปธรรมนามธรรมาก็ได้หลวงพ่อดูนามธรรมาเป็นหลัก นมามธรรมที่ดูดูอะไรดูกุศลอกุศลเกิดดับเนี่ ย, ยตัวนี้เรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาแต่เสร็จแล้วก็พวก่วงเอาเวทนานุปัสสนาเห็นสุขทุกข์ทางใจเกิดดับได้ด้วยให้กรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งใช้ไม่มากแล้วหลวงพ่อสมาธิเยอะมาแต่เด็กเวลาดูจิตเนี่ย เอาเข้าจริงนะไม่ค่อยได้ดูราคาโทสะอะไรหรอกแต่ดูโมหะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ที่สอนพวกเราบ่อยๆถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ราคาโทสะไม่มีโอกาสเกิดหรอกเพราะว่าราคาโทสะเกิดได้อาศัยโมหะอาศัยจิตหลงเนี่ยเกิดขึ้นเพา้นถ้าเรารู้จากจิตหลงเส็แล้วจิตหลงเรารู้หลงเรารู้ราคาโทสะไม่มีแรง ไม่สามารถงอกงามได้นี่ถ้าเราไม่สามารถดูจิตหลงได้แล้วก็ดูจิตที่หยาบขึ้นมาจิตโลภจิตโลภหยาบกว่าจิตหลงจิตที่หยาบที่สุดคือจิตโกรธงั้นถ้าจิตโกรธยังมองไม่เห็นนะไปดูกายไปนะแสดงว่าดูไม่ได้เรื่องเลยดูไม่ออกแล้วของหยาบที่สุดจงไม่เห็นเลยนะถ้าละเอียดที่สุดก็จิตหลง ของหยาบที่สุดของจิตก็คือจิตโกรธดูง่ายที่สุดงันถ้ากระทั่งโกรธยังไม่รู้ว่าโกรธไปดูร่างกายนะไม่มีทางเลือกแล้วไปดูกายดูกายก็ไม่สามารถเห็นธาตุได้ดูไม่ถึงธาตุก็ดูรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าแล้วก็ดูในองค์รวมเลยรูปนี้ไม่ใช่เรา แท้จริงรูปที่หายใจออกนั้นประกอบด้วยรูปจํานวนมากมาทํางานร่วมกันตัวอะไรที่ประกอบกันขึ้นมาธาตุดินน้าไฟลมมีครบเลยในรูปที่หายใจออกประกอบรูปพวกนี้ขึ้นมามีช่องว่างมีช่องว่างเกิดร่วมกับรูปรูปมันจุอยู่ในช่องว่างนี่มันจะมีรูปเป็นกลุ่มนะ เวลารูปมันเกิดมันเกิดเป็นกลุ่มๆรูปที่เราไปเห็นนะไปรู้สึกะอย่างในร่างกายเนี้ยเป็นกลุ่มของรูปกลุ่มของรูปเรียว่ากลาปะแต่ว่าพอ ล, ละละเอียดเกินไปพวกเราประสาทกินแต่รูปเราไม่สามารถแยกจนถึงตัวธาตุรูปแท้ๆไดนะ้เวลาดูนะ รูปมันจะเกิดดับเป็นกลุ่มๆนะทีละกรลาบเกิดดับด้วยกันเป็นกลุ่มๆดูยากนํามาทําดูง่ายรูปที่พวกเราจะพอดูได้คือรูปข้างเคียงรูปรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนถามว่าเราไปได้ไหมไปได้ไปได้แต่มันไม่เต็มภูมิคนที่จะดูรูปได้แต่จริงๆนะแต่กระจายออกมาจริงๆคือผู้ทรงฌาน การหยานุ้ัศสนาจริงๆแล้วเหมาะกับสมถะหานิกหมอะกับคนทรงฌานไม่ทรงฌานแต่กลุ่มของรูปเนี่ยออกมาเป็นรูปเดี่ยวๆไม่ได้นถึงเราไม่ได้ทรงฌานเราทําไม่ได้หรอกเราก็แค่เห็นว่าตัวที่หายใจออกไม่ใช่เราตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ก็พอละไปได้อยู่ ตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่เราพอดูดูตูวๆไทยๆไปพอใช้ได้ก็ไปได้เหมือนกันถ้าละเอียดขึ่นไปนะรูปก็จะแตกลงไปถึงธาตุส่วนานามาทําดูง่ายโกรธใครๆก็รู้จักโลภใครๆก็รู้จักดูตัวไหนได้ตัวไหนเกิดแล้วเรารู้ตัวไหนได้ก็รู้ตัวนั้นแหละแท้จริงเราไม่ได้ดูตัวโลภตัวโกรธอะไรเลยเ แล้วดูไตรลักษณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ได้ดูแค่ว่าจิตมันโกรธ น, นะถ้ารู้ว่าจิตมันโกรธ น, นะยังไม่ใช่วิปั ส, สนาแ้าวิปั ส, สนาจริงๆหเห็นไตรลักษณ์ก็จิตมันโกรธได้เองความโกรธก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเวลาดูนมามธรรมนะเห็นอนิจจังอนัตตาชัดถ้าดูรูปประธรรมจะเห็นทุกขังอนัตตาชัดมีสองอย่างละสองอย่างละสอง จยดูได้เด่นอย่างดูความโกรธเนี้ยหรือดูความสุขเนี้ยะยกตัวอย่างเลยดูความสุขเนี้ยจะดูว่าความสุขเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ดูง่ายนะจะดูความสุขไม่เที่ยงเนีย่ยดูง่ายรู้สึกไหมความสุขสั้นเสมอเลยความสุขสั้นไปหน่อยนะบางทีสั้นเยอะเลยแต่ความทุกข์รู้สึกไม่ยาว ความสุขสั้นสั้นแมมมันไม่เที่ยงเร็วเหลือเกินที่ความทุกทำไมมันเที่ยงนักเนี่ยงั้นนำมาทานัะจยแสดงอนิจจงอนัตตาจะเด่นดูตัวทุกข์ขังยากอย่างตัวทุกคาว่าทุกจริงๆว่าความบีบคั้นความสุขเกิดขึ้นเนี่ยความสุขถูกบีบคั้นให้หายไปเ็ยมันดูยากกว่าความสุขหายไปเลย ดูว่ามันกำลังถูกบีบคั้นดูยากเขานนำมาทำอายุสั้นมากจะดูการบีบคั้นเนี่ยดูยากมากเลยตัวทุกขงังมันบีบคั้นอันนี้จังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีแล้วมันไม่มีนี่อันนี้จังดูง่ายทุกขังเนี่ยสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้สลายไปนี่ดูถ้าดูกายเนี่ยดูง่ายกายนี้ถูกบีบคั้นตลอดเลย ความทุกข์ม cool hmm? like mm ัน hmm. บีบคั dedicate, ้นร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวเดียวก็ถูกบีบคั้นให้ต้องหายใจออกหายใจออกเดี๋ยวเดียวก็ถูกบีบคั้นให้หายใจเข้านี่ดูง่ายแต่จิตนะมันเกิดดับรวดเร็วมากมันไม่ทันจะถูกบีบคั้นให้ดูมก็ดับไปแล้วงั้นดูทุกขังเนี่ยดูยากตัวนามธรรมเกิดดับเร็วแวบเดียวก็ดับแวบเดียวก็ดับนี่ไปดูยังไงแต่ดูว่าเออเกิดระดับเกิดระดับนี่เห็นที่ยิบเลยนะเห็นอันนี้จังง่าย แล้วก็ดูอีกตัวหนึ่งที่ดูง่ายนามธรรมก็คือมันเกิดเองดับเองสั่งมันไม่ได้สั่งให้ความสุขเกิดมันก็ไม่เกิดสั่งให้ความสงบเกิดมันก็ไม่ไม่เกิดสั่งให้จิตเป็นคนดีมันก็ไม่ยอมจะดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วสั่งว่าอย่าฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านมันสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นึกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอานาจไม่อยู่ในอานาจบังคับ เรรูปธรรมนะจะดูตัวทุกข์ทุกขังนะกับดูอนัตตาดูง่ายนมามธรรมจะดูอนิจจังอนัตตาเวลาที่พระเจ้าสอนธรรมะนั้นท่านจะสอนตามจริตที่ใส่คนถ้าคนไหนเหมาอกับการดูรูปเนี่ยท่านมากักจะสอนเรื่องอายตนะให้ในอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันนี้เป็นตัวรูป มีใจอันเดียวเป็นนมามธรรมงั้นถ้าคนไหนถนัดที่จะดูรูปนั้นบางทีถ้าท่านแจกแจงรายละเอียดนั้นจะแจกในเรื่องของอายตนะแต่พวกที่ชอบดูนมามธรรมนี่ท่านมักจะแจกแจ ง, แจงด้วยขันห้าในขันห้ามีรูปเป็นตัวรูปอันเดียวเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6 สี่อันหลังเนี่ยเป็นนามนธรรมทั้งหมดเลยงั้นเหมาะกับพวกที่จะดูนามนธรรมท่านจะสอนเรื่องขันห้างั้นเวลาพูดถึงขันห้าท่านจะเริ่มบอกรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจาไม่เที่ยงแล้วก็โดดขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกขงังไม่มีเวทนาทุกขงังกระโดดข้ามไปเลย เพราะว่าพวกที่ดูนมามธรรมเนี่ยตัวที่เด่ น, นคืออนิจจังอนัตตาใครทำมัชชาว่างใครเคยทาํารก็เช้ายกมือให้ดูหน่อยสิในบทธรรมวัชชามีใช่ไหมจําได้ไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาบิณ ญ, ญาณอนิจจังรูปังอนัตตาอย่นี่เลยเวทนานัตตาสัญญานัตตาทาไม่สอนอย่างนี้ทาไมกระโดด เขสอนจากความเป็นจริงไม่ใช่สอนทางทฤษฎีสอนเพื่อให้อปจิบัติจริงๆ ง, งั้นถ้าเราจะดูจิต ด, ดูใจนะเราดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆหเห็นมันเกิดแล้วก็หายไปหายไปไม่ใช่ดูตัวสภาวะนะถ้าเมื่อไหร่ดูตัวสภาวะเช่นความโกรธดูที่ตัวความโกรธเป็นสมถนะเมื่อไหร่ดูตัวสภาวะเป็นสมถะนะถ้าเมื่อไหร่เห็นสภาวะแสดง ไตรลักษณ์เมื่อนั้นเป็นวิปัสนางั้นดูท้องผ่องยุคเป็นอะไรเป็นสมถะนะขยับมือแล้วดูมือเป็นสมถะนะ mm hmm. เดินจงกรมแล้วก็จ้องร่างกายที่เดินอยู่นี่สมถะนะถ้าเป็นการไปโฟกัสคอนเซนเทรตไปดูที่ตัวสภาวะเป็นสมถะถ้าเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์เป็นวิปัสนา นะอย่างตัวนี้ต้องต้องชัดนะไม่งั้นมั่วทูกวันนี้มั่วม่วกันมากมายเลยมีกรมฐานัหนึ่งที่ง่ายๆที่หลวงพ่อสอนพวกที่ชอบดูจิต ด, ดูใจคือการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปที่บอกให้ซ้อมดูบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดเอง กันแค่หัดดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยสิ่งที่ได้คือสติถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วเราไม่รู้ทันราคะาโทสะเกิดมันจะไปครอบงาจิตราคะาโทสะครอบงาจิตได้มันจะผิดศีลได้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ศีลอัตโนมัติจะเกิดเพราะว่าจะไม่ทำผิดศีลถ้าจิตเคลื่อนนันเคลื่อนด้วยกำลังของความฟุ้งซ่าน ถ้าเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นสมาธิจะเกิดถ้าจิตเคลื่อนเราเห็นจิตมันเมื่อกี้รู้ตอนนี้เคลื่อนนะเนี่ยเคลื่อนไปแล้วก็กลับมารู้เคลื่อนรู้เคลื่อนไปเรารู้สลับกันจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเคลื่อน่อะไรก็ไม่เที่ยงนะนี่แสดงปัญญาละแสดงอ น, นิจจัง รู้ก็ไม่ได้เจตนาจะรู้เคลื่อนก็ไม่ได้เจตนาจะเคลื่อนมันเป็นเองนี่ดูงนัตตางั้นแค่เราเห็นจิตกระดิกคลิกคลิกคลิกแค่นี้นะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทังปัญญานะถ้าทำได้ก็ทานะทำไม่ได้ก็เล่นของที่หยาบลงมานะดูราคาโทรศอะไรก็ดูไปดูราคาโทรศท์ไปเนะีอย่างน้อยก็ไม่ผิดศีลนะแต่ว่าอย่างฟงาูงซ่านสมาธิไม่พอได้อีก ใจอย่างฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าเราเห็นจิตไหวตัวต่อไปมันไม่ได้ไหวแบบวืดวืดอย่างนี้นะไม่ได้วิ่งไปไกลๆนะมันกระดิกอยู่กลางหน้าอกนี่เองคลิกคลิกคลิกคลิกอยู่กลางหน้าอกนี่มันไหวอยู่แค่นี้เองนะงั้นเราเห็นจิตไหวกระดิกตัวคลิกคลิ ก, ค ล, กคลิกเนี่ยพอมันไหวนะ่ยต่อไปรู้โดยไม่เจตนาจะรู้สติตัวจริงเกิดมันไหวคลิกเนี่ยเรารู้การไหวขาดสะบั้นลนะ้ความปรุงแต่งขาดสะบั้นแนละ้ว ศีลอัตโนมัติเกิดเลยนะสมาธิก็เกิดเลยเพราะว่าไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะแล้วถ้าดูไปดูเป็นนะบางคนไปดูผิดไปดูตรงตัวสภาวะไปดูที่มันไหวคลิ ก, ล ก, ล ก, ลกไปจ้องลงไปในสภาวะไม่ได้ให้ดูตัวสภาวะอย่างนั้นให้ดูใจรักในใจรักมันแนบอยู่ที่สภาวะถ้าเราเห็นไหวอ ย, อยู่นี่นะใจเราเป็นกลางอยู่เออมันไหวเองหมมันไม่ใช่เราหรอก เห็นอนัตตานะอเห็นอนัตต์ที่หลวงพ่อหัดภาวนาเนี่ยหลวงพ่อดูแค่นิ่งนะแต่ตอนแรกก่อนที่มันจะมาดูเห็นมันกระดิกกรดิกอยู่กลางหน้าอกเนี่ยก็เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละะเหมือนที่พวกเราเห็นก็เห็นโลภเห็นโกรธเห็นหลงเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสารพัดจะเห็นนะเห็นสารพัดไปเลยนี่พอสติสมาธิเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ย เห็นมันผุดขึ้นมากลางอกนี่เรารู้เลยว่านามธรรมทั้งหลายนะผุดขึ้นมาจากความว่างๆผุดขึ้นมาจากกลางกลางกลางๆงอยู่ตรงไหนพูดยากเฉพาะกลางอกมันก็ไม่เชิงอกเป็นรูปธรรมมันเป็นความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาจากส่วนที่เป็นกลางๆงผุดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สลายตัวไปในความว่าง ความปรุงแต่งผุดขึ้นในความว่างแล้วก็สลายไปในความว่างไม่มีอะไรค่อยๆดูไปสุดท้ายไม่เห็นไม่มีเราไม่มีเราที่ไหนเลยนะมีแต่วความปรุงแต่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็เห็นอยู่แค่นั้นลองไปดูนะนะกรรมฐานมีสารพัดสิ่งที่หลวพ่อสอนให้วันนี้นะที่ดูจิตไหวเนะี่ย มันครอบคลุมกรรมฐานตัวอื่นไว้เยอะเลยในขั้นการเจริญปัญญานะแต่ถ้าในขั้นของสมถะนะตัวที่ครอบคลุมได้มากที่สุดของสมถะนะคืออาณาปณสติอาณาปณสติเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของสมถะนะเป็นตัวพ่อตัวแม่ส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยขั้นสุดฉีดของมั น, นคือการเห็นอริยสัจ การที่เห็นจิตมันไหวขึ้นมาเนี้ยมันสร้างภพขึ้นมาตรงนี้เองจะรู้อริยสัจขึ้นตรงนี้เองรู้ปฏิจจสมบัตถ้าไหวขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ถันเนี้ก็ขึ้นมาปรุงเป็นสายของปฏิจจสมบัติทั้งสายเลยนะยันจุดสุดขีดเลยนะของสมถะนะตัวพ่อตัวแม่ของสมถนะคือตัวอนาปนสติถ้าตัวพ่อตัวแม่ของตัววิปัสสนานะ คือปฏิจจสมบัติอธิยสัสตร์แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็เล่นตัวลูกตัวหลานเราสู้กับหัวโจกไม่ไหวก็เล่นตัวลูกตัวหลานไปเท่าที่เราดูได้อ า, านาปนสติอศัศจรรย์นะอศัศจรรย์ไม่เห็นกรรมฐานที่เป็นสมถะอันไหนอศัศจรรย์เท่าเลยเวลาเราเจริญอนานาปนสติเนี่ยเราทําสมาธิได้ทั้งสามชนิด คณิกาสมาธิก็ได้อุปจาระก็ได้อัปปนาก็ได้แต่อัปปนานั้นไม่ถึงอรูปิชานได้ถึงฌานที่สี่แต่ได้ฌานสี่แล้วจะต่อเข้าอารูปก็ไม่ยากอะไรละเวลาทําอานาปนสตินะเราสามารถเจริญปัญญาได้เจริญปัญญาอยู่ข้างนอกเนี้ ในคณิกาสมาธิก็ได้ในอุปจาระก็ได้ในอัปปนาก็ได้เน่มัํทำได้สารพัดเลยธรรมานาปนาสติอยู่จะพลิกเป็นกสินก็ได้ดูกสินลมก็ดูได้เต็มที่นะลมจะเปลี่ยนเป็นแสงกสินทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายมันจะไปลงที่เดียวกันคือเป็นแสงรูปทั้งหลายนะแปลมาเป็นแสงหมดเลย ถ้าได้กระสินตัวหนึ่งก็จะได้กระสินตัวอื่นง่ายๆนะในกระสินสิบชนิดนะอย่างถ้าเราแค่ฝึอกอนาคานสะติเราจะได้กระสินลมแนะ้ในสุดลมหยุดลมกลายเป็นแสงนะแล้วจากตรงนี้ก็จะเข้าฌานนะแล้วตรงที่เล่นกระสินได้เนี่ยมันจะพลิกไปสู่อภินยาไดนะ้ในอนาคานสตินะโหกว้างกว้างมากเลยงั้นมัน ถ้าฝึกได้ก็ฝึกนะแต่ว่าอย่าไปฝึกเพื่ออย่าไปเล่นฝึกเพื่อให้พักผ่อนให้มีเรื่อมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาธรรมะของพระเจ้ากว้างขวางเหมือนมหาสมุทรเลยนะกว้างขวางมากแต่น้ําที่เราต้องการจริงๆคนละถ้วยเท่านั้นแหละไม่ต้องการน้ําทั้งมหาสมุทรหรอกต้องกินน้ําแก้วเดียวเท่านั้นเองดูตัวเอง ว่าเราเหมาะ ก, กับกรรมฐานอะไรเช่นถ้าเราจะทําสมถะเนี่ยเราก็ดูตัวเองว่าเราหมา ก, กับกรรมฐานชนิดไหนที่ทําแล้วจิตจะสงบแล้วก็ไม่ขาดสติด้วยไอ้สงบแล้วขาดสตินไม่ยากอะไรหรอกนะนั่งอะไรให้เพลิดเพลินไปเคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวไปนะนั่งคิดอะไรบ้าบ้าบอๆใจลอยไปเดี๋ยวก็ขาดสติเองลเละอย่างนั้นไม่ใช่สมถะนะไม่ใช่สมถะ สมถะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสติจิตเป็นอกุศลทันทีท่านไม่สอนอกุศลให้เราทําหรอกแพรนั่งแล้วก็เคลอบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยอกุศลนะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยเนั้นต้องรู้สึกตัวท่านถึงบอกว่าหายใจออกก็รู้สึกไมื่หายใจเข้าก็รู้สึกไม่ใช่ว่าให้ไม่รู้สึกหรือยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็ทําอะไรก็ต้องรู้สึก ทิ้งความรู้สึกไม่ได้เลยต้องรู้สึกถ้าเราอยากทําความสงบอยากทําสมถะกรรมฐานเราก็เลือกดูว่าจิตของเราเนี้ยชอบอารมณ์ชนิดไหนนะถ้าจิตชอบอารมณ์เช่นชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็พาจิตไปอยู่ไปรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจมีความสุขเนี่ยเห็นปุ๊บสงบปั๊บเลยนะเพราะอะไร จิตมันฟุง้งซ่านเพราะจิตมันเที่ยวสแสวงหาความสุขมันเที่ยววิ่งพล่านๆไปหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้เพราะมันอยากได้ความสุขแต่ถ้าเรารู้จักฉลาดเราเอาความสุขมาล่ออารมณ์เนี้ยจิตชอบหรือบางคนชอบสวดมนต์สวดมนต์แล้วมีความสุขสวดนมนต์แล้วสวดได้นานจิตไม่หนีไปไหนเลยสบายมีความสุขเราก็ใช้วิธีสวดมนต์เอาบางคนสวดยาวๆแล้วลำคาญ ชอบแค่นิดเดียวนมโมตสัส萨พัคะวะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะสวดได้แค่เนี้ยแค่นี้ก็สวดไปเรื่อยๆจิตอยู่กับคำสวดมนต์อย่างนี้แล้วมีความสุขกนะ็ใช้ได้ละถ้าจิตมีความสุขจิตก็ไม่สวไปที่อื่นนะบางคนนมโมตสัสอย่างยาวไปอนะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธธรมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่จะชอบท่องพุโทโธพุธโทโธมก็คือสวดมนตนะ์นั่นแหละ ถ้าจิตมันชอบพุโทโธจิตก็อยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนก็นได้ความสงบนะเพราะฉั้นไม่ใช่ทุกคนต้องพุโทโธนะดนั้นสอนอย่างนั้นมัก ง, ง่ายเกินไปแล้วทุกคนต้องพุโทโธไม่จําเป็นเคยมีพระางคหนึ่งพระบวชใหม่เนี่ยหลวงพ่อพูดเล่าให้หลวงพ่อฟังเองเนะี่บวชอยู่กับท่านนะท่านสอนให้พุโทโธก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปท่องไปท่องไปนะมันเปลี่ยนไปชื่อท่องชื่อแฟนนะพระหนุ่มๆ น, นะลาแฟนมาบวช พอจิตมันท่องชื่อแฟนโตกระใจเลยหงุดใจบาปหยาบช้าคิดถึงพระแท้เจ้าอยู่ดีๆไปคิดถึงแฟนซะแล้วเนี่ยะรีบไปบอกหลวงพ่อพุธว่านี่ตายแล้วผมบาปมากหลวงพ่อพุธบอกบริกรรมชื่อแฟนไปเลยบริกรรมชื่อแฟนไปองค์นี้ก็เลยโอ้ได้ใจเลยะหลวงพ่อให้บริกรรมชื่อแฟนบริกรรมแป๊บเดียวก็เห็นหน้าแฟนขึ้นมาแนละ้วสวยๆแฟนเรานะ แต่ไม่เลิกบริกรรมบริกรรมไปแล้วถ้าดูภาพไปเรนะื่อยปรากฏเริ่มแสดงความจริงให้ดูค่อยๆเหี่ยวเหียวเหี่ยวเหี่ย ว, ยวลงไปนะในส่วนล้มลงไปกลายเป็นกระดูกเลยนะเน่าเน่ า, นาขึ้นมาเปื่อยเป็นกระดูกเลยเนี่ยเปรายงานหลวงพ่อพดทอธหลวงพ่อใช้ได้อย่างนี้สมถะทั้งหมดแล้วนะแต่สมาถาจนกระทั่งมันเกิดเป็นเป็นอุขะหานิมิตสลายอย่างนี้นะจนกระถ้าถ้ามันแตกสลายกลายเป็นแสงนี่เป็นปฏิภา ก็ได้สมาธิเหมือนกันงั้นเราดูที่จิตชอบแต่ถ้าจิตชอบทําบาปอย่าไปทําเช่นเราเกลียดใครเราก็ด่าทั้งวันเลยนึกด่าในใจไปเรื่อยตายโหงตายห่อาอะไรอย่างนี้นะเออจิตมีอารมณ์อันเดียวเลยคือด่านายคนนี้คนเดียวเลยอย่างเงี้ยนะอย่างนี้จิตไม่สงบเพราะจิตเป็นอกุศลงั้นเราเลือกนะถ้าอยากทําความสงบเนี่ยเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส เป็นอารมณ์ที่ดีในทางปริยัติเนี่ยเขารวบรวมอารมณ์ที่เป็นตัวอย่างเอาไว้4ี่สิบอย่างเรียกกรรมฐาน40สบที่จริงจะเอามากกว่านั้นก็ได้นะอย่างพระจุลปันธกาขยี้ผ้าขาวพระโชหรนังพระชังหารติพระโชหรนังพระชังหารติขยี้ไปขยี้ไปผ้านี่ดำท่านก็เห็นในร่างกายของท่านนี้เป็นปฏิคูณสุภะ พอเห็นอสุภะปุ๊บเนนได้สมถะละหรือองค์หนึ่งดูดอกบัวพระพุทธเจ้าให้ดอกบัวแดงสวยงามบอกไปปักไว้บนทรายนะอย่าไปเสียบใจกันนะปักไว้ที่ทรายไปนั่งดูอยู่ข้างกุฏิพอสายขึ้นแดดสองนะั้นดอกบัวเหี่ยวลงไปจิตท่านสลดนะเห็นความตายนี่ความตายมันเกิดแล้วมันเสื่อมสลายใจสลดนะได้สมาธิขึ้นมาอีกลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวมันบรรลุพระอร ห, รหนันต์ งั้นเราเลือกเราไปดูตัวเองว่าถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็าอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแป๊บเดียวจิตก็สงบอย่าบังคับจิตให้สงบนี่คือเคล็ดลับสําคัญถ้าบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบเพราะจิตไม่มีความสุขจิตที่ถูกบังคับไม่มีความสุขงั้นต้องให้อยู่จิตรู้อารมณ์สบายๆ ส, ส่วนวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าดูจิตได้นะเห็นอารมณ์ต่างๆหมุนเวียนเกิดดับได้ให้ดูจิต ถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะให้ทําความสงบไหมกลับมาทําสมถะใหม่กนะารดูกายดูลงปัจจุบั น, เ, นเดี๋ยวนี้เลยร่างกายกําลังหายใจร่างกายกําลังยืนเดินนั่งนอนร่างกายกําลังเคลื่อนไหวมีคำ ว, ว่ากําลังเดี๋ยวนี้เลยถ้าดูจิตดูใจนะจิตโกรธก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก่อนเรากรู้ว่าโกรธจิตโลภล้วรู้ว่าโลภจิตหลงเรารู้ว่าหลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยจะดูกายกับดูใจในขั้นเดินปัญญาต่างกันถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตทำไมให้ดูจิตก่อนถ้าเราเห็นจิตเกิดดับได้ก็ดีที่สุดแหละเพราะอะไรกุศลเกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนี่บางคนดูจิตไม่ได้ต้องดูกายดูกายเพื่ออะไรเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะ หลวงปู่สุวัตเนี่ท่านเคยเล่าเ่อท่านไปเรียนเด็กหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะ ท, ที่หัดหัดให้ดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรเป็นไงอ่ะทําที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างทําที่พ้นจากโลกบ้างนั่นะคือมรรคผลอยู่ที่จิตหลวงปู่ดูลงก็เคยสอนหลวงพ่อเคยถามหลวงปูด่ดูลนะ ออไปดูวัดโน้นวัดนี้เอ๊ะไปวัดไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์สอนสอนคนอื่นนะไม่สอนหลวงพ่อถ้าท่านเจอหลวงพ่อท่านจะสอนให้ดูจิตทุกวงเลยหลวงตามหาบัวยังสอนเรื่องจิตเลยส่วนใหญ่ท่านสอนพุทโธพิจารณ ก, กายเอ๊ะใครๆเขาก็าาาพิจารณกายเราไม่ได้พิจารณานะไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูล น, นะหลวงปู่ครับผมจะต้องไปพิจารณกายเพราะไม่เห็นใครๆเขาก็าาพิจารณกายหลวงปู่มอง ท่านนางเขาโยกนะหันมามองด้วยความสลดสังเวช ท, ท่านบอกที่เขาดูกายะเพื่อให้เห็นจิตนะร่วมก็เข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะเพราะงั้นไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มที่กายนะถ้าอินทรีย์เราแก่กล้านะถ้าลูกเข้าถึงจิตได้ก็เข้าไปเลยเรื่องอะไรไปต่อแต่อยู่ที่กายเสียเวลาอีกตั้งหลายปีเพราะจะดูกายได้ต้องทรงฌาน ต้องไปหัดข้าวชานกันเนาะยังเข้าไม่ได้ดูกายไม่ได้อีกดูกายไม่ได้ก็ดูจิตไม่ได้รวมแล้วชาตินี้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างถ้าเข้าวชานก็ไม่ได้สมถะไม่ได้ดูกายทํำวิปัสสนาก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้อีกไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่ความอะไรความดื้อฉันจะต้องทําของฉันอย่างเนี้ยดื้อเกินนี่หลวงพ่อน่ะบุญอย่างนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่ว่าต้องคุยโม่บทว่ามีบุญได้ครูบาอาจารย์เนี่ยสุดยอดทางนั้นเลย หลวงปู่ดูนลงปู่สิมหลวงปู่ปเทศหลวงตามหาบัวอะไรพวกนี้นะแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เข้าไปเรียนด้วยนะท่านสอนได้สะใจแต่ละองค์องค์สุดท้ายเลยที่เรียนกับท่านคือหลวงปู่สุวัตรเรียนจนถึงพรรษาออกพรรษาที่หนึ่งเไปเรียนกับหลวงปู่สุวัตที่หนึ่งแล้วท่านก็มรณภาพนะหลังจานั้นก็ไม่ได้ไปเรียนจากใคร ในพรรษาที่สออกพรรษาแล้วเนี่ยไปกราบหลวงปู้เรียนแต่ก็ไม่ได้เรียนอะไรกับท่านท่านก็คุยธรรมะให้ฟังเพื่อความพื้เขิมท่านก็เล่าสมัยท่านภาคเพียนมานี่ครูบาอาจารย์แต่ละวงแต่ละองนะท่านเก่งหลวงพ่อไม่เก่งหรอกหลวงพ่อจําท่านมาเล่าให้พวกเราฟังที่เราได้ครูบาอาจารย์ดี ในสิ่งที่เามาเล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อได้มาจากครูบาอาจารย์อีกทีให้พวกเราเอาไปพาวนานะภานาเป็นแล้วเราก็จะได้บอกต่อๆไปถึงเวลาบอกเราภานาแล้วเราไปบอกต่อแล้วเนี่ยฟังมาจากหลวงพ่อประโมุ่อีกที <laughs> อ้าวไปกินข้าวนิมนต์เลครับ